ไม่ได้ก็มีเอาแล้วฉันก็คงมีรอแล้วถ้าเธอไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝรน ก, กันต่อไปอยู่ทำไมจะเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใครจะพูดกับเป็นแบบนี้มันดีแค่ไหนไม่แปลกใจจะเห็นจะกับใครเขาก็แค่เพื่อนกัน ก็มาก็เพื่อตัวเองเท่านั้นก็พั่งเข้าใจว่าเธอจะทาบซ้อมไฟรู้สนุกไหมไปเล่นที่อื่นไปไปไปไป ฉันมีค่ากว่าเธอให้ใครที่ให้เธอไปเพราะคิดว่าเธอสำคัญแต่พอได้แล้วก็เพิ่งจะเข้าใจว่าไม่คุ้มเลยเมื่อที่ผ่านหน้าก็ให้เธอไปแล้วกันคนไม่มีใจยังไงก็ไปสักวันไม่รู้สนุกไหมไปเล่นที่อื่นไปไปไกลไๆ